่านคือพระกันดาตามประวัติของท่านที่สร้างมาซึ่งพอประมาณได้โดยลำดับธรรดาที่เป็นความสม่ำเสมอจะนับแต่ห้ารอยาตมาเรื่อยชืาอพระบารมีของพระ อ, องค์ก็คือพระนางยอโสธราขิงขา่า แต่ชื่อนั้นเกี่ยงแจงไปตามฆ้าตามพบเึ่งยังชาวที่เป็นทเทว้งชนน์ก็ชื่อพระนางมาัติพามาเป็นพระพธิจัตก็ชื่อพุมพาโยโสธราความที่เป็นพระโพธิสัตว์ต้องเป็นผู้มีจิตใจแน่นหนามัน่นคงหนักแน่น เยพราะดับเป็นหลักใหญ่ของโลกสร้างมาโดยแบบที่ว่าบรารมีติดประการนั้นก็คือทำเพื่อสร้างบความดีทั้งหลายเย่งนี่นทานบามีผือหรืบามีเื่อย ก, ก็มิัดจะผันติดบามีอย่างนี้น ในส่วนมากเราไปคิดถึงพระพุทธเจ้าท่าน ส, นสนร้างพระบารมีมามากมายใส่ฟองที่นี่ขั้นเด็จมากุญฑาลขนาดเรานี่จะได้หรือคือขั้เด็จหรืความคิดเช่นี้ทําให้เราท้อใจเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่อยู่มากการสร้างพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นภาระอันหลักมากยิ่งกว่าภาระทั้งหลาย เพื่อนภาระเราท่านๆ ท, ที่ทำคันสร้างไปตุ่มน้อยตุ่มใดญ่ก็ต้องเติมด้วยนานแต่ตุ่มเราไม่เลยใหญ่เหมือนตุ่มพระพุทธเจ้าทางของเราไม่ได้ใหญ่โตกว า, ามขวายงยืดยาวเหมือนทางของพระพุทธเจ้าที่ตนสร้างแล้ว มีคิดกันที่ตบบนี้ะฉะนั้นความรู้ความฉ ล, ลาดความสามารถเมื่อสำเร็จผลขึ้นมาแล้วคูณต่างกันเราไม่สามารถที่จะสสอนสับโลกได้ทั่วไปเหมือนกับพุทธเจ้าแต่ถึงขั้นบรรมสุดในวิมุติภนิทานนั้นเราก็เต็มคุณของเราเช่นเดียวกับพระุทธเจ้ ในส่วนความบริสุทธิ์นี้ไม่มีใดแตกต่างกันนักตั้งแต่พระพุทธให้้าลงมาถึงสาวกองสุดท้ายเมื่อถึงขั้นอาหารหันตผลแล้วมีความเสมอกันหมดคือเหมือนกันไม่ยิ่งไม่ย่อนต่อกันเลยการที่พระองค์ได้รับความเคารพส่วนสายือนัิถือของประชาตรมากนันก็เพราะพระาาวรมีของพระองค์ แค okay. ่อาจเป็นการให้ทานหรือกับพระพุทธเจ้าเป็นที่นของแผนโลกทานเสียสละทุกอย่างก็คือพระพุทธเจ้าคือโพธิสัตวข้าโพธิสัตต้องยิ่งกว่าโลกทั้งนั้นแล้วข้าชยยาของท่านคือพระนางยโสตราคินทาน ก็ต้องเป็นก็เป็นผู้หนักแน่นค้อยตามพระองค์ในการสร้างก็มีทุกด้านทุกถัดเราจะเห็นได้อย่างชัดเจน ก, ก็คือท่าที่ท่านเป็นพระเวกสันดอดขนาดที่ถือเขาขับไล่สายสมกอกจากบ้านจากมือ เรียกวันเมรุเทศถู่เมรุเทศไปอยู่ในปากซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงก็หมาตัดหนูตากธนากันแต่ขะเวชนันตอนก็ต้องได้ไปสงสถานที่พระนาีแทนที่พระนางมาถือซึ่งเป็น พระชายาของพระองค์จะยินดีอยู่ในปราสาทราชมงลเกลีนกับขระากิาวงศ์ทั้งหลายกับไม่ยินดีอะไรทั้งสิ้นถ้าขอติดตามพระเวทสันดอนอย่างเดียวเท่านั้นเป็นกับตายก็เป็นให้ตายอยู่กับพระเวทสัดนดนไม่มีสิ่งใดที่จะปรารถนาเลยในโลกนี้นอกจาก พ่เวสันดอนขึ้นเป็นคู่พเพ้าแบมแค่นั้นสุดท้ายก็ทางภาษสาของเราเพเรียกว่าปูป่ยากอะไรปลูกท่ทนานี่พนาปุชดีนพระบรมศรีผลไทย จำเป็นต้องยอมเพราะทรงยิงวานอย่างไรขนางก็ไม่ดิบเต็มต้องตายเขมีพระราชโอรส ร, ราชกิจดาทั้งสองคนติดตามเท่านั้นราชโรสที่พระเดชไปก็คือข็ขอเอานั้นขอเอานี้หมดถืดท้ายก็มี พระองค์มีสี่พระองค์ขนาดใหญก็ไม่ทรง้อถอยในการที่จะเข้าสู่ปา่าปีเขาอันเป็นเหมือนกับแดนแห่นรกไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่โงล่นอกคอทั้งสองพระองค์เวลาพระเกิดก็ดอนมีความลาบากขนาดไหนพระนางพิณพาก็ไม่เผล่ ข้อติดข้อตันเมื่อมีการดูถูกเหยียดหยามราชสำมมีความตรงนักทักดหมิ่นหาหัวขือหัวมันมาเลยนดูกันตามสภาพของความจำเป็ที่ทักภาพที่รู้องสเห็สกันอยู่าาก็มาครอบครองแม่ที่สุดเขาเวบ เวลาขนางมาตีจะหาวู้ ม, มันลูกไม้ต่างๆ ต, ตับมาในขนาดนั้นก็เป็นเทื่องธรรดาเพราะข้างหลังนี้พระเวสซ้ำจอ ไ, อได้ทานนางพระนางมาตีออกทานข้าวจะอรุธพาะจีดา้องสองให้เจ็บญข้าวไปเลยคือต้องรอเวลาถ้าว่าพระนางมาจะทานไม่ได้ก็หนุนจง เลืมบันดาลทีนกดไปแล้วคนาไปเลกน้อยแล้วกลับมาก็ยังไม่ให้มาถึงเสือหรือสได้ีถามูานตามเดิมเียรเามาก็ไม่เห็นเราทั้งสองก็ห่นงอนไปมาเวลามาถามว่าเาจะตามมือกับหนาวบาดขใจอย่างนั้นอย่างนี้เขียข้อ สุดท้ายอะไรอะก็มีความคิดแล้วไม่มีความถกโกรธแคนตอบเขเองเพราะผู้ีทําอ็นายูิอย่างนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพระนมตถีเป็นคนเช่แต่ถ้านุกเานั้นก็จะความคิดึงลูก็จะรุนแรงมากขึ้นอาวุว จนกระทั่งมาราถูกท้ายก็จึงได้บอกถูดว่าตามเราว่าให้ได้ให้ทานตามไปแล้วทั้งสองเราเราขอยให้โมทนาโมีทนาก็นำมาตีตลบแล้วพอเพื้นขึ้นขึ้นมาแล้วถึงได้นักต่างรือบอกอย่างนั้นท่านั้นก็โมทนาไปด้วยมีความทุกข์ความลําบากในหัวใจอล่านั้น ขเตศนันดอนกับข้านางมัตสึนั้นจะไม่มีใครยิ่งหญ่เท่กันเร่องความสุเขเพราลูกลูกทั้งสองข้าโอ่งเป็นเลือดในโมลล่ารับให้ทานไปทำไมจะไม่เียยายนะ้รับทำไมจะไม่เฉยยายแล้วอานาจความอำนความเาจมดายความปิญญานี้จะทให้ตูดทุกตะตูดแต่ต้องกิดตูดแต่ขวเวศนันดอนเป็นผู้ข้ามมีความ หนักแน่นในฐานสนนกมากนี้ยพระนางมาตือก็โคกหรือไม่ทุขกขนาดสลบตลับเรื่อยๆโคกถึงขนาดตลบตลับถึงสลบตลับลกขนาดตายก็ตาย น, นี้ถึงขนาดตลบตลับเมื่อคนกลับคืนมาได้ได้รับคำบอกเล่าจ ะ, ะนา่าจะตามทีู่้สิทุอย่างแล้วก็พอจัดทุกก็ทนอา รวมข้าอยูสองพระองค์พระมันดูบริจาคระยะราชการให้ข้าพูดถึงเรื่องการปราบรือปราอุปสรรคปราความทุกข์ความเดือดร้อนเพื่อความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเเพื่อความเป็นพัฒยาของพระพุทธเจ้าแต่ยากลำบากเท็ต้องยากลําบากถึงขนาดบางที่ว่าและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกมากมายกมายกองมุ่งรุนเข้ามาพูด ในเรื่องควงมมามคิ่ความรหนักในการสร้างก็เ บ, เบิกเป็นกระทรรมราสุดท้ายเป็นจรถถนิรสาราจุาพระนางจิน้าก็พูดปัญหาของเราก็เปิดในวันเดียวกันพระพุทธเจ้าหนึ่งพระนางเละโสตราจุน้าหนึ่งอันหน้าอัมมัหนึ่ง มากกรขัดลุกอะไรการุกายอย่างี้ว่าเกิดร้อมผัดรายนัเจ็บหลังยื่นจะเกิดกร้อมอัดและเมื่อถึงการเวลาเข้ามาเต็มที่แล้วน่าจะอยู่ในกระตากธาตุโมเลกุลก็ดูยาก ด้วยความขลุดสาเลือดในความเป็นมีแนวทางที่จะหาววหะความพ้นทุกข์โดยตรงได้เสเด็ดขอบตรงทั้งๆที่เสียดายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ความอาลัยเจดายอย่างมากมายแต่เมื่อคิถึงประโพธิญ า, า, วาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วความเจดายเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคจึงต้องตัดอุปสรรคเหล่านี้ออกทั้งๆ ท, ที่เสียดายฝ่าผู้ไป ในเวลาค่ำถือโดยไม่ใจรักหนักทงบำเพ็ญพระองค์อยู่ถึเวลาหดีหนักหรือไม่หนักลำบาดหรือไม่ลำบก็ตัดออกสลับตนก็เป็นคนนักขาคนธรรมดาเป็นนักขามานั้าเดิมก็ไม่เคยทุกข์ยากลําบากแต่แต่พระเจ้าเจริงสลับก็องค์ออกจากความนพระเจ้ไปดีปูกความเป็นคนนักขานี่ต้องเป็นความลำบากอย่างมากมาย นี่คือการสร้างพลวตต้องเป็นมาลุกความรแต่ขอพระไทยที่จัดจัดขอพระไทยที่จะต่อชื่อทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ถึงแดนแห่งความต้องทุกนี่ขอให้ถึงแดนแห่งความสุขน่ความเป็นพระพุทธเจ้าประทาส่วนสัโลกได้ตามถ้าไทยองค์นั้นเป็นผู้ประกอบไทยอย่างดี้เป็นกล้องขนาดทีกสิ่งทุกอย่างฟาาผืนนสิ่งที่โลกทำไม่ได้ปากถืไม่ได้รองคากถมาโดยลำหนั ตนจะสร้างได้ก <uffled> nice ับร <sh> ู้ตนพระพุทธเจ้าจริงปรากฏเป็นฝนนะผลนี้เกิดขึ้นมาจากความยากความลําบากทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วด้วยการสร้างพบารมีเราทั้งหลายเป็นลุกศิ์พระพุทธเจ้าเลือกว่าพุทธบริษัทเท่านั้นมาได้พุ่งเจริญลงมากมาแต่กลอนเหมือนพระพุทธเจ้าทซึ่งเป็นผู้นําองสรรโลกมงควรพอใจในทางข้างต้นเขึ้น มากน้อยเราตั like so that, ้งทุกวันทุวัามีเราต้องต้องมาต้องตั้งมาโดยลำดับลำดับหากเราไม่เคยทำเราไม่เคยยินูในทางในการปลุกถึงความต่างๆขอ้เราเราก็จะไม่สนใจอะไรนี่ก็แสดงถึงท้าเพียงแล้วว่าชีวิตของเราดีอยู่ใ้เกียรติความเกื่อติความเมตตาในศีลในธรรมแลวก็ใจะนการปฏิบัติมีกฎดังที่เราต้องาด้ งคงด้วยมาจะทั่งแนี้ยากําบากการต้นท่าเราก็ต้องฝึกสร้างกระทำลำดับสร้างกระทำหน้าพัฒนาลำดับคุมลเมื่อเราต้างไม่ความดุยู่ไม่ถอยความเจริญรุ่งเดืองก็จะเต็มที่ทนใจเมื่อเต็มใจก็เลยบารมีเต็ม สามารถที่จะต่างพ้นไปได้เพ่นเดียวกับขั้นของพทั้งลายนี้เท่านั้นการต่างพ้นทุกไปนั้นเป็นหน้าคนั้ลก็ส่ต้างถล่มโลกทั้งหลายนอนจมในกองทุกข์ด้วยกันทัานั้นไม่มีต่าโลกตัวใดๆที่จะค้นความทุกข์ทันเป็นกฎธรรมชาติของโลกนิจกรรทุกอำนานต่างไปได้เนี้ยแต่ละอยต้องเป็นไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นการข้ามการพ้นจากทีตัดโลกทั้งหลายข้ามเวลาพ้นเวลาเรืองจากว่าเป็นผู้มีหน้าเต็มถึงของุเตถึงด้วยการตั้งหนักด้วยความลำบากเราทั้งหลายก็กาลังตั้งตั้งใจมาหน้าก็เป็นมาเพิ่มเติม การสร <yo> ้างความดีส <sei> ุดเกิเป็นการสร้างแบบนี้เพื่อเป็นสิ่งใจของเราให้อวานเจริญทำงานหนึ่งที่ดีสุดเวลาสุดค้ายก็ขงต้องระดับเพราะการทำดีนี่การทำดีนี่แรงขึ้นต้นประชทั้งหลายทุกๆพระองค์ได้รันจากทุกคนเพราะความดีฉะนั้นท่านจึงต้องสเกลือดการทำทําตั้งตัว เป็นอาชีพสัและ้ใช้นเป็นมตเปอเาึงเค่โลกความตึงเขผหมดความดีแล้วมันก็แจกจ่ายได้มันน้อยแจจ่ายน้อยนิดมากกิดจ่ายมากเปนตามกำลังของมันแต่ความดีความตึงของตถ้ามันมีเลยก็ไม่ขาดใรเลยเกิดแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีตัวเองปดอยากขจความี การขาดแคลนความรู้ก็คือการขัดแคลนความสิดตามการเรียนมีแต่ความติต้มอมีสมาธิการตลดท้วนเราจะเดสกผโรุย่ได้ม่ความรู้การผูอยู่ได้ความสิดเามติดตามกระดุว่าน้าจึพยายามต่องพุ่งาน้าร้องปากเพื่อจะมีการหลับให้นำนำหลักธรรเข้ามาเป็นเครื่องรองคท้ เป็นทางเลยเป็นสิ่ที่ทุกขากและพยายามกำเนิดตั้งนั้นมันทำติดใจพวงเราออกครอบออกนอกโลกนอกทางนันความโลภนอกเลื่อกของนั้นก็คือความติดอะไรอะไรติดติดวัตถุเด่นแล้วไม่มีอะไรที่มีติดตามการทำงานต้องนักอะไรติดความดื้อหลักติดหรือตามติด มันไม่ได้กับเรื่องการฆ่าเรามันกับเรืองอะไรก็ตามั้งแต่ตั้งทานบารมีศีลบารมีแต่ก็เมื่อแล้วมัอจะเป็นความหยุดยั้งเรื่องที่ติดใจมันมีความตึงอยู่ตึงลงมตั้งแต่ติโลกโลกมากที่โลกที่นอกจากนี้ก็ยังติดโคมนัก พบกอนพบนี้พบหน้าเป็นของทเกี่ยบกันแยกกันไม่ออ้เมื่อวางนี้ก็ต้องมีมันต้องมวันมีพบที่ผ่านมาแล้วก็มีพบปัจจุบันมีพบต่อไปตามกฎวัตจกรที่มีเชื่อให้มบุพพินกันเป็นความกินนนนอกจากว่าเราได้ทํานักเชื่อการศึกาที่ึ่งตึงแล้วความติดต่อพบผ่านหมายของากะด่งไปจากั ตัวนคือจิต่คุทอ่างไอคุณทำอะไรก็ได้ดยังไม่การพยายามตัดเกินแก้ไขรู้จุดบุญคนเองรงทางที่ถูกต้งเป็นทางของนักบวชผู้ขั้นเราจะได้ความดีจะได้เดินทางถูรอถูกถกบต่อสู้กับสิ่งไม่ก หน้าจิไม่ดี่ะกลายจิตกลายหน้ากลายจิตสารซึ่งนี้ก่าต่าัต่องเรดำเนินของเราต้องพยายามปักหลุดพยายามติดตามถ้าดำเงินไปต้องทุจริตถูกทุจรกตแบบนั้นจะเป็นสมัยของเราคู่ดำเนินทางดูไม่เหมาตถ้าเีได้เป็นคู่ แน่นอนเป็นหลักเป็นแกนอนัอนทุดาแกนสุ้ายต่างๆแต่ใจต้องมีเครื่องสนัรสนะมีความดีที่จะกล้าไปสือพลัดนั่งเพื่อความร่าเริงมีนะเป็นศุนร์โตมีความสุนย์ประจำครบอ่องอาศัยความดีจากการําเงินของตัวเองก็ตั้งความดีา ก, ก, ามก็รูเที่ยงที่แล้วก็ามขาดบนไปรวมในความขาดแต่ลง นี่บอกกันทุคนักตัรบ้อทหกาน้าุานนั่นแหละเป็นสิที่ลาบากปดเพื่อนทำงาน้งหาแต่ความยากความลบากนี้หากมีคุณค่ามากเมื่อสําเด็จผลขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขนความดีทั้งหลายเราทามารวมเข้าในจิตกับภานาที้ทั้งหมดอันนี้เป็นแหล่ง คือรวมถึงความดีทั้งหลายดุจตะโกนจ่รวมลงที่บเมื่อใจเต็มที่แล้วผลความดีทั้หาราเข้าบรรสุนั้งจีตไม่มีไปดูงพียงอยู่ ท, ที่น้าพพนดมอันเป็นสร้างพัฒนาอันตป็นคือรับความดีทั้งหลายด้วยการออ น, นอันนี้อิจต้ง่างอตั้งองนาก็เลยยาม คือขาดจะเป็นตั้งแต่ติให้อยู่กับงานของตนอย่าให้คิดโน่นนี้ซึ่งเราเคยิดมานานแล้วต้องมีเกิดกระดกกะนขณะนี้อาจคิดกระดกคดถึงเรื่องอัดรืคิดเรื่องโาวนาอย่างไม่คิดเรื่องคือขนึ่นเป็นข้าศึกขอการสดจวมีความสงดร่มเย็นใจไม่องมีสิ่งก่อป่วยก็จะขออนุบาลรักษาอะไรมาแต่ตอ ก็ปวดใจแล้วก็หมกห น, น, ง น, นังําำน้าีอจจะไรก็ควดน่งองใสรู้ไถ่ะอาดกอนกนอนอยู่ตร้นเสือเราจะตัผอาหดิบตะกอนอะไรก็ตักข้างบนน้ำกระเด็นใสสะดผิดใจเมื่อสงบตะกอนตื้นๆก็นอนอยู่ตร้นเหมือนก็กลบเกลื่อนเวลามัน่ขึ้นมาเราพยายามตักจอง พยายามแล้วด้วยาำต้นหากห้ามความตุ้ความเพิมพ่มต้างของต่างจุงดใดที่ติดขึ้นมาแล้วจะทำความแดืดรอดให้แก่ตนถ้าเกิดความทุ้บเพิ่มความทุกบขึ้นมากให้พยายามาดันะตามิศเนั้นเช่นเดียวกับดอกไฟกระเด็นมาติดเราก็เด็นมาติด น, นิดมันก็เด็นเราต้องตัดตรงนี้ ถระเด็นมาถูกขีดเจ็บขีดหรือเอาภมาที่เราที่ที่1เจบคั้หนึ่งที่ทีสองเจ็บมากที่ที่สาิ่เจบมากขึ้นเลยเป็นเกิดคู่ครองกันตามีิวหนังความคิดที่เป็นภัยแต่ตนก็เช่นเดียวกับถูกกับเอาภัยที่เป็นคิดตั้งที่หนึ่งมีความอุกขนาดนี้คิดตั้งที่สองมีที่หนึ่งเท่าที่ก็จะลุรมแหลมขึ้นดังนั้นจึงต้องนำความคิดที่ไม่ดีจะเป็นทายต่อเราข้าพยายามน เมื่อราน้ำความติดตั้หมายต่างๆนี่แล้วใจก็สงบเมื่อก็มีความร่มเย็นยันก้อนนี้ก็เป็นผลองการทำงานสมงหรณ์ต่อไปก็มีความเนื่อยหนามันคงึ้งเป็นฐานของใจอยูที่ไหนก็สบายใจยเย็นตัวน้องกัดให้่าคงอยู่ในบ้านจะทำได้จริงก็ทาไา้ที่จะ ไม่สงบเราก็ไม่ควรจะรือความสงบนั้นมาเป็นบรรดาศกดิหน้าคือของเราที่เรต้องทำเราก็ต้องทำได้ถุนน้อยก็ต้องให้ผมความปรรนาหรือผมแต่เราที่ต้องการสถานที่ดีๆผมก็เป็นธรรมดาว่าเราอยู่กับโลกผมต้องเหนื่เรียนไปมาอยู่คนละทางของโลกตามอะไรเงี้ยแต่ที่จะพิมพครับ ควาตระนักความรู้สตัวเองต่ที่คิดต่งกั